ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนานาค่ะได้เวลามาทำให้ยามเช้าของพวกเรานะคะรวมถึงตัวท่านเองด้วยเนี่ยเป็นยามเช้าที่มีธรรมะของพระศ า, าสดาที่เราเคารพนับถือคือพระพุทธเจ้านะคะมาทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงได้เมื่อนำเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัตินะคะและโอกาสในการที่ท่านจะได้รับทุกอย่าง ทั้งในภาคของการาสะสมความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าในด้านของการปฏิบัติอยู่ในรายการนี้ครบถ้วนการปฏิบัตินั้นจะอยู่ตอนต้นของรายการค่ะเรามีท่านเพิ่มนในการหลักสูตรการลิกเร้นที่วัดป่าดอนหายโสอุดรธานีสถานที่ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะที่ทำกันอยู่เป็นประจำในทุกๆเดือนเป็นเวลาช้านานแล้ว เราไปกราบน้มสักการท่านไพลบุ์กันเลยนะคะเพื่อให้ท่านนําปฏิบัติธรรมเลยค่ะกราบนมสักการท่านคะยมพรเรามาเริ่มการฟังธรรมของเราโดยการปฏิบัติธรรมการไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นการที่จะนําข้อมูลจากที่เราได้จากทางหูที่ตัมบูฟังได้ฟังเข้าสู่หูเนี่ยหลุดไปทางหูอีกด้านหนึ่งบ้างอยู่บ้างก็ยังคงจะมีอยู่ในอยู่ในสมอ ง, อ ย, งอยู่ระหว่างหูนี่มันก็จะเป็นสมอง ข้อมูลจากที่เข้ามาทางหูอยู่ในระหว่างหูเป็นสมองเข้าไปสู่ในใจจะทำยังไงให้ข้อมูลจากในสมองเลื่อนลงมาเข้าลงมาสู่ใจของเราแต่ซึ่งมันห่างกันประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยวิธีการนั้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติจะทำให้ธรรมะเข้าไปสู่ใจได้อย่างไรมันไม่ใช่แค่การคิดนึกเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณนั่งคิดนั่งนึกตไตรตรองแล้วมันจะเข้าใจได้มันเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิต บับปุโรหิตจ่ายคำว่าเป็นของบัณฑิตวิสัยยากที่จะยังลงได้ด้วยการตริตรึกแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้แต่คําศัพท์ภาษาไทยนี่ดีมากเลยใช้คําว่าความเข้าใจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้เริ่มจากสติซะก่อนแต่สติเนี่ยคือความระลึกได้ตั้งสติของเราขึ้นตั้งสติขึ้นด้วยเครื่องมือที่เรามีกันอยู่ทุกคนอยู่ละนั่นก็คือลมหายใจแแม้เทวดาเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องมือนี้ได้คือลมหายใจ น, นี้ได้ ลมหายใจเขาก็จะเป็นลักษณะกายละเอียดแต่เราก็มีกายของเราเป็นกายหยาบเราก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นนี่จิตมันจะเริ่มเข้ามาละมันจะไม่ใช่แค่สมองละสมองคุณก็คิดไคร้ครวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปใช่ไหมแต่จิตเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงไหนแต่ในที่นี้คือตั้งไว้ที่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริเวณทางเข้าตรงนี้จิตที่ตั้งไว้ อย่างนี้แล้วจะนั้ไม่เกิดความเข้าใจในธรรมได้อย่างไรเพราะว่าในขณะที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยบุคคลที่มีสัมมาสตินี้พระบุตรชาบอกว่าจะสามารถทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วบุคคลที่มีสัมมาสมาธินี่คือความที่จิตเป็นอรมณเดียวเนี่ยในขณะที่จิตเป็นอรมณเดียวนี้จะไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดน้อยลงไป สิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีก็เจริญมากขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะของสัมมาวายามะเป็นความเพียรเป็นวิริยะเกิดขึ้นในใจของเราในขณะที่เราจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งสติขึ้นเนี่ยความคิดนึกที่ผ่านมาผ่านไปมันก็จะส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่องที่ดีไม่เป็นไปในทางกามเป็นเรื่องที่หลีกออกจากกามไม่เป็นพยาบาทแต่เป็นความเมตตาไม่เป็นความเบียดเบียนแต่เป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ก็เป็นลักษณะของสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะก็เกิดขึ้นความเห็นความดาริแต่ความเห็นนั้นก็จะเป็นสมาธิฏิด้วยเป็นลักษณะความเห็นที่ว่าเออฉันจะต้องมานั่งรู้ดูลมหายใจของฉันอันนี้เป็นสมาธิฏิมานั่งรู้ดูลมหายใจความคิดนึกที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสังกปะนะวาจาการพูดการกระทําทางกายทั้งการกระทําทางกายและวาจาก็เป็นสัมมากรรมันตะสัมมาวาจา วิธีการดําเนินชีวิตก็เป็นสมาอาชีวะแต่แค่นี้ลักษณะของอริยามารรคมีองค์แก็จะเกิดขึ้นปร้อมหมุนแต่คือในสมาสมาธินั้นก็จะมีองค์ประกอบของมรรคอีก7ข้ออยู่ในนี้ในขณะที่เรามาตั้งสติรู้ดูลงผ่าแจคราเนี้แหละทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับเพราะว่าถ้าเราพยายามจะบังคับจิตให้มันคิดหรือมันไม่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบังดีมันจะปวดระหว่างคิว้วแต่เราไม่ได้บังคับถ้าบังคับนี้ เป็นการทำความเพียรที่มันมากเกินไปเกินกําลังของสติที่จะตั้งได้บางทีมันทําให้เกิดการปวดหัวพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าจับแน่นเกินไปนกมันก็จะตายได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันจิตไปคิดเรื่องทั่วไปนั้นมันเปรียบเหมือนกับจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปนกมันก็จะบินหนีไปได้แต่ให้จับพอดีพอดีคําว่าจับพอดีพอดีนั้นหมายถึงว่ามีการควบคุม แตการควบคุมคเครื่องมือที่เราใช้นั้นคือสติจิตของเราให้มาอยู่ที่นี่ความคิดนึกบางอย่างบางทีมันมีให้มันไปตามเรื่องตามราวของมันไปอย่าเอาไปใจไปใส่ตรงนั้นแต่ให้เอาใจมาใส่อยู่กับลมลักษณะการฝึกปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้ธรรมะที่เราได้เคยได้ยินมาได้เคยได้รู้มาเป็นสิ่งที่เราสะสมเอาไว้เป็นสุตตะที่เราทรงเอาไว้เนี่ยมีการทําจริงแน่แน่จริงเกิดเป็นสติขึ้นเกิดเป็นสมาธิขึ้น สามารถที่จะถูกต้องทํานั้นด้วยนามกายคือใจของเราได้หรือยิ่งจะมีความมั่นใจซึ่งงาน ก, นการะตอมตรงนี้เราค่อยฝึกค่อยเป็นค่อยเป็นไปตามลําดับแโดยการฝึกที่เป็นรูปแบบอย่างที่เราฟังในขณะนี้หรือว่าเราจะฝึกอย่างชนิดไร้รูปแบบในขณะที่ทํากิจการงานอย่างอื่นอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันจนบอลค่ะสาธุ ค, ค่ะนั่นก็เป็นส่วนของการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วท่านก็สามารถจะปฏิบัติกันได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ทั้งที่ระหว่างฟังรายการนี้หรือว่าจบไปแล้วไปใช้ชีวิตประจําวันของท่านท่านเปียบุญก็พยายามที่จะอธิบายนะคะว่ามีทั้งแบบเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานถ้าฟังมาก็จะเห็นชัดเจนเลยมาถึงคําถามที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านเพราะดิฉันเชื่อว่านะ ค, คนที่ฟังรายการอยากรู้อืมเนื่องจากเราก็ประชาสัมพันธ์กันไปใช่ไหมคะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงทอดกรถินทอดปลาดองไฮโซเนี่ยจะทอดไปแล้วในวันที่1พฤศจิกายนส่วนใหญ่คําถามนะคะท่านรับที่ยังของประทานโทษนะครก็จะถามกันว่า อ, อทอดกระถินได้เงินเท่าไหร่โอค่ะดิฉันขออนุญาตถามท่านก่อนเลยได้ไหมครับเผื่อท่านฝั่งทางบ้านสนใจคือเรื่องของกร<จ>ะถิ่นเนี่ยสตังไปทําบุญคะ่ะเรื่องกรินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าคําว่ากรถินเนี่ยมีความหมายอยู่ 3-4 อย่างหนึ่งคือไม้ระเดียงที่เขาเอามารัด คือคือสมักอนบางทีเขาไม่ได้มีจักรเย็บผ้าเหมือนสมัยปัจจุบันนะนะ <c oughs> เขต้องเอาขึงไม้เพื่อที่จะรัดให้เป็นกรอบเพื่อ <c oughs> ให้ผ้ามันนิ่งๆ <c oughs> เวลาเย็บเวลาอะไรมันจะได้ถูกต้องไม้เ <c oughs> นี่ยเขาเรียกกรถินหรือกร <c oughs> ถินนี่หมายถึงผ้าก็ได้ผ้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จากการที่หลายๆคนมาร่วมกันทําผ้าให้บุคคลในบุคคลหนึ่ง <c oughs> ผ้านี้ก็เรียกว่ากรถินหรือกรถินเนี่ยจะหมายถึงสังครรมอย่างหนึ่งนะคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะทําร่วมกัน ก็เรียกว่าการกรานกรถินอย่างนี้ก็ได้ที <คะ S 1> ่ว่าป่าดอยทรงเนี่ยก็จะมีทั้งสามความหมายนี่แหละก็คือค <ะ S 1> เราใช้มีไม้ขึงผ้าอยู่ผ <คะ S 1> ้า น, นี่ยก็ใช้เราก็ทําคืนนั้นเราตัดเย็บย่อไม่เสร็จเรียบร้อยภิกษุสงฆ์ก็มาร่วมอนุโมทนากรานกรถิ่นกันคะน่ะในในคืนนั้นท่า น, นค ะ, ะไม่เห็นมีคมําว่าเงินเลยอะก็น่นนาสิขอโทษค่ะเออนี่ยนี่แหละคือกิจกรรมงสงฆ์ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าบริวารอื่นๆที่เขาจะเอามาถวายด้วย่เช่นบางคนก็จะมีธง มีข้าวของอะไรต่างๆมาถบายนี่นคือเป็นบริวารใน่ทีนี้บริวารมันมีมามันก็มีมพร้อมกับเงินแต่ซึ่งเงินเนี่ยวิกสุท์เนี่ยมันรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เรียกว่าเป็นปัจจัย4ที่ควรแก่สมนัจะบริโภคใน่ทีนี้ถ้าผอกว่าเราไปวัดว่าความสําเร็จของงานกรติงอยู่ที่ ป, ปัต จ, จัยมากน้ออันนี้วัดผิดที่แต่วัดให้ถูกที่ก็คือว่าทําทตามกิจกรรมที่พระรพุทธาบัญญัติเอาไว้อันนี้คือควัดถูกต้องส่วนบริวารอื่นๆได้เท่าไหร่ อันนี้เราเข้าพูดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าเอองั้นกระถิ่นไปวัด น, นั้นเป็นยังไงแต่ที่จะถามว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะถามว่าเออจะอนโมโนธนาบุญด้วยนะอย่างนี้จะเป็นคำพูดที่ถูกต้องค่ะที น, นี้ถ้าบัวคุณโยมติ๋วชามเฉพาะเจาะจงลงมาว่าเอาแล้วบริวารกระถินของวัดป๋าดอยส่งเนี่ยมันได้เป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างเพราะว่าเขาก็ถวายผ้าด้วยถวายสังฆทานด้วยถวายจอบเสียมอะไรอย่างนี้ก็มีนะ เสือมอสอะไรก็มีแตส่วนที่เป็นเงินสดจริงๆเนี่ยที่วัด น, นี่ได้กค่ประมาณหล้านบาทโอ้บริสัทธุค่ะอนุโมทนาะคะ่ะส่วนใหญ่คนเขาไม่ได้อยากฟังนะคะเลขต้นเขาอยากฟังเลขท้ายอะท่านคะแต่ <c oughs> <c oughs> ดิฉันจำได้เลยว่าบรรยากาศตอนที่วัดจะประกาศจํานวนเงินที่เป็นบริวารกรถินของทุกๆ ท, ที่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเรียกร้องความสนใจได้มากที่สุดกว่า ในห่วงเวลาอื่นๆเลยออื mm. แล้วก็จะเป็นห่วงเวลาที่เบิกบานนะคะสนุกสนานขอภัยใช้ภาษาชาวบ้านเขาบอกต้องลุ้นบางคนก็จะลุ้นว่าเศษจะออกเท่าไหร่ออืนะคะจะได้ไปอะไรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่จะไปซื้อลอตเตอรี่ออืแต่บางคนก็จะคอยฟังว่าขาดอีกเท่าไหร่จะเติมให้ครบ mm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็เป็นห่วงเวลาที่สนุกสนานเลยนันก็เลยอยากกลับเรียนถามท่านเพื่อ เ, อเป็นความรู้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะเป็น ในยุคที่เป็นทุนนิยมนะคะเงินเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะดํารงไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครก็แล้วแต่แต่ความสําคัญมันก็มีอันดับหนึ่งสองสามสี่ถ้าสำหรับการเทศน์นี้คืองานกรถินในความสําคัญจะไปอยู่ที่เรื่องผ้าแล้วก็เป็นเรื่องของสงที่จะทําสังกรรมกันใช่ใชนะคะมีผ้ามีไม้กรอบกระถิ่นอ่าที่เรียกว่าเป็นกรถินคือคือตัวไม้กรอบ สำหรับขึงผ้าในสมัยโบราณท่านคะทีนี้ดิฉันฟังอย่างที่ท่านพูดเนี่ยคือเหมือนกับว่าที่วัดท่านคือวัดป่าดอนายโศกเนี่ยก็มีกระบวนการในการที่ะจะเกิดสังฆกรรมการทำผ้าธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับการเขาเรียกอะไรคะที่ได้ผ้าน่้นไงโบสถเอาภาษาพระค่ะท่านคะเขาเรียกว่าอุปโลกได้รับการอุปโลก เพราะเป็นผู้มีภาพเก่าอะไรก็แล้วแต่นะคะบางที่เขาจะเรียกกระบวนการเนี้ยว่าจุละกรถิน่นมันต่างกันไหมคะจุละกรถินกับกรถิ่นธรรมดาแต่ที่นฟังดูเหมือนกับว่าที่เนี้ยทําคล้ายๆกับที่เขาทำทำกันแล้วเรียกว่าจุละกรถิน่นนั่นแหละจริงๆก็คือมีคําว่ากรถิน่นคําเดียวนี่แหละว่ามันต้องทําแบบนี้แ <c oughs> ต่ทีนี้ว่า <c oughs> พอสมัยถัดมาเนี่ยเอไม่ได้ทําว่าจะตัดเย็บยอมให้มันเสร็จได้ภายในวันเดียวเขาก็จึงมีเรียกชื่ออื่น แล้วก็เรียกชื่อแบบที่ทำเนียว่าจุลลกฐินแต่ว่าถ้าเราะจะไปพูดถึงในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือมีแบบนี้แบบเดียวค่ะเตรงตรงนี้น ะ, ะมันเป็นการวัดความสามัคคีนะคุณหยุ่มติว๋วคือคือผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะเพราะฉนั้นมันต้องสามัคคีกันผ้าทุกรูปเนี่ยบางโพธิต้องไปต้มน้ําบางโพธิต้องเตรียมสีย้อมบางทุกเตรียมได้แล้วซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีจักรเนี่ยมันยิ่งจะยิ่งลําบากกว่านี้อีกอันนี้คือคือสงที่จะต้องเตรียมการกัน แล้วก็ยังต้องร่วมแร ง, งร่วมใจกันทำใช่ร่วมแรงร่วมใจมีความสามาัคคีกันแล้วก็ยังต้อง<ะ>พูดถึงแบบเราผู้ที่มาช่วยอุบาสกอุบาสิกาอย่างเงี้ยนะคือว่าเขามีความสามาัคคีกันขนาดไหนถึงร่วมมือร่วมใจกันได้ไม่มีการด่า ก, กาันว่าการเถียงกันแต่ว่ามีความสามาัคคีกันเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันเสร็จงานแล้วก็ช่วยกันเก็บกันล้างแต่ก่อนงานก็มีการเตรียมการกันอย่างดีเนี่ยไม่ได้มีใครต้องมาลําบากพลาดพลาดเพราะว่างานที่ต้องทํา เสียน้ําตาเพราะว่าสิ่งที่ได้ทําไปแต่ว่ามีความสามัคคีกันอันนี้อาจมาว่าเป็นการวัดความสําเร็จของงานที่ว่าคุณธรรมต่างๆที่เรามีอมากกว่าจํานวนบริวารหรือปัจจัยต่างๆที่เราได้ค่ะนะคะก็เป็นการที่จะตอบคําถามหลายๆคนที่ค้างอยู่ในใจแล้วก็ให้ความรู้กับท่านด้วยทีนี้อีกคําถามหนึ่งกับท่านคะช่วงนี้พอออกพรรษาแล้ว คนก็สนใจแล้วนะคะเอทีนี้ท่านเพบูลจะมาแสดงทํากรุงเทพไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะก็มีโอกาสพอดีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนวันที่3าสิบวันที่ 30, ส0พฤศจิกายนค่ ะ, ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงนี่แหละสิวเอมง ก, กว่าๆที่บริษัปทปตทสอพอเปิดให้คนทั่วไปเข้าได้จะอยู่ที่บริเวณตรงส่วนที่เป็นช้อปปิ้งมอลของเขาชั้น5้าเนี่ยห้องจัดเลี้ยง อันนี้สามารถบุคคลภายนอกเข้าได้ค่ะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อกับทางปตทสพไปนะคะวันที่30พฤศจิกา ย, ยนเวลาเที่ยงที่ให้ติดต่อเขาก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพในการที่จะนิมนต์ท่านมาอืก็จะได้เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดค่ะทีนี้มาถึงคําถามค่ะท่านคะค้างคําถามของคุณจั ก, กริดคุณจั ก, กริดนี่สนใจเรื่องของภพภูมิโดยเฉพาะภพภูมิที่ ได้ยินชื่อดิฉันไม่อยากไปนะคะคือถามเกี่ยวกับเรื่องของเปรตวิสัยเรื่องของเดรัชานออืบอกว่าพบของเปรตวิสัยได้ความเป็นมนุษย์เร็วกว่าสัตว์เดรัชานจริงหรือไม่ครับแล้วเปรตวิสัยเนี่ยสูงกว่าการเป็นสัตว์เดรัชานจริงไหมครับทั้งทั้งสองอันเปรตวิสัยแล้วก็สัตว์เดรัชานเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าทุกขติทุกขติก็คือที่ที่ไม่ดีไม่ควรไปค่ะ เฉพาะเจาะจงลงมาที่กำเนิดเดรัชานแล้วก็นรกเฉพาะเจาะจงลงมา2 อ, อันนี้เป็นการจองจำที่เจ็บแสบเผ็ดร้อน <c oughs> ไม่มีการจองจำไหนที่จะเป็นค่าศึกตอนนิพพานมากเท่า2 อ, อย่างนี้นรกกับเดรัฉานนะคะเฉพาะเจาะจงลงมาที่2ออย่างนี้น ะ, ะ, ะ เ, เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจาบางขวางอย่างเงี้ยก็ถูกจองจำแค่ชาติเดียวคุณก็คุณตายเนี่ย หรืคุณฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็เอาคุณออกจากคุกทันทีแล้วก็จบไปแต่ว่าเป็นเดรัจฉานเนี่ยมันจะถูกจองจําอยู่ในความเป็นพบของสัตว์เดรัจฉานด้วยความยินดีด้วยความพอใจในพบนั้นจิตใจมันจะเบี่ยงเบนไปแล้วนะจิตใจมันจะเบี่ยงเบนไปแล้วอย่างหมาอย่างไก่เนี่ยมันจะยินดีด้วยความที่มันมีอะไรจิกกินมีอะไรที่มันกินแล้วก็มีตัวเมียมันจะยินดีมากแค่นี้แล้วมันก็ด้วยความยินดีนี้มันก็จะทำให้มันเกิดเป็นหมาอีกใช่ต่อไป ชาติไปมันก็ยังยินดีด้วยความที่มันมีตัวเมียมีอาหารเศษอาหารจากปลากินมันก็จะเกิดเป็นหมาอีกชา ต, ติต่อไปนะถูกล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยถูกล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยชัดแล้วชัติล่าชัดแล้วชัติเล่าลโอ้โหมี่เป็นการจองจําที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนทารุนเป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานอย่างมากมนารกกับเดริชานะอ๋อเหรอคะออดิฉันเองก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ได้ยินอย่างละเอียดแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ว่า ถ้าเราหลุดไปเกิดในนรกกาเนิดเดรัชานี่ต้องบอกว่าไม่ได้ไปเกิดนะไปถูกจองจาใช้คำนี้จะเหมาะสมกว่าถูกไหมคะใช่มันอันตรายมากมันแย่มากแล้วก็จะไปอยู่ด้วยชอบซะด้วยผู้ไปอยู่จิตจะเป็นอย่างนั้นใช่ไคะยินดีในภพนั้นถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องก็จึงทำให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในภพนั้นอีกนานมากหลุดลาบากเลยสิคะท่านโอ้โหใช่มันแบบยากมากที่จะออกมาได้นานมากเพราะอะไร เปรียบเทียบพระเจ้าแิเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําท่วมโลกก็คือ ค, คือโลกใบนี้มีน้ํา3ส่วนมีดิน1ส่วนใช่ปะถ้ามันเป็นน้ำส4ส่วนเลยเนี่ยแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดใช่ไหมมีคนโยนแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่มีรูอยู่รูหนึ่งที่พอดีกับหัวมันพอดีเนี่ยเต่าตัวนี้อึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งเดียวะระยะเวลาระยะเวลาความน่าจะเป็นที่เต่าตัวเนี้จะโผล่หัวขึ้นมาพอดีพอ ด, พอดีโดนเข้าไปใน แอกนี้รูที่อยู่ในแอกนี้พอดีพอดีเนี่ยมันจะใช้เวลายาวนานมากมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยน้อยมากอันนี้คือโอกาสของคนที่ไปตกนรกสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากขนาดนี้โอค่ะนรกเดราชาอันนี้เป็นคําเดียวกันไหมคะหรือว่าเป็นสองเลเวลเอกีกสองระดับเป็นคนละเป็นคนละอันกัน อ, อนรกนี้ก็ลึกกว่าเดราชาอีกเดราชาเนี่มันยังมีความสุขบ้างนะ คือคืออย่างมา้าอย่างไก่เนี่ยมันก็จะมีความสุขแบบม้าแบบไก่นะนรกเนี่ยก็จะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เพราะอย่างม้าเนี่เรายัางเห็นมันนอนแฮปปี้ใช่ป่ ะ, ะเรายัางเห็นมันได้แต่แต่สัตว์นรกเนี่ยความทุกข์เขาจะมากกว่าความสุขของสัตว์นรกนี่ก็จะมีแค่ว่าตอนจังห <Okay. S 1> วะที่ในนรียบาลเนี่ยเขายกขวานขึ้นหรือตอนจังหวะที่ไฟเนี่ยมันเบาลงบ้างแต่ความสุขของสัตว์นรกจะเป็นประมาณนี้อ๋อค่ะค่ะเอตอนแรกดิฉันจะถามคําถามท่านว่า เดิมคิดว่านารกกับเดราชานเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าพอท่านเติมคําว่าสัตว์นรกไปเข้าใจเลยค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะท่านกําลังพูดถึงสถานที่คนเราเข้าใจว่านารกทุ่นๆ เ, นเป็นสถานที่โอเคแล้วเดรฉ า, านเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวตนเป็นค่ะเป็นเป็นสัตว์เหมือนกันทั้งสองประเภทนี้ค่ะทีนี้ที่จะต้องมาเปรียบเทียบในคำถามของคุณจักรินี่ก็คือว่าแล้วเปรยวิสัยละ่ะเปรวิสัยล่ะเปรยวิสัยเนี่ยนะอ่า ถ้าจะพูดกัน ค, คือในความเห็นกขากมาเขคิดว่ามันดีกว่าคือมันไม่ได้ดีกว่ามนุษนะแต่มันดีกว่ามันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกนะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเรามาดูๆกันดูๆกันนะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นนะคือเปรตเนี่ยยังมีกายละเอียดกายของเขาเนี่ยเป็นกายละเอียดเปรตนะเปรตเพราะว่าเราจะไม่ได้เห็นเปรตทั่วไปแต่คนที่ต้องมีตาที่ปฏถึงจะเห็นเปรตเพราะว่ามันเป็นกายละเอียด มันก็กจะดีกว่ากายหยาบแน่นอนเนาะคงจะเป็นอย่างนั้นในข้อที่2ในข้อที่2เปรตเนี่ยยังรับบุญได้มีเปรตประเภทหนึ่งที่เรียกว่าประระัตตูปชีวีเปรตจะเป็นเปรตที่สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติทําให้ได้แต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานเขรับไม่ได้สัตวนรกมีอาหารของสัตว ร, รกเขรับไม่ได้ เราจะดูที่ประเด็นนี้ก็ได้นะทีนี้แบบบางคนอาจจะเปรียบเทียบที่ว่าความทุกข์อ่ะเช่นว่าถ้าเกิด <Okay. S 1> เป็นหมานี่คุณก็ยังได้กินนะแต่ว่าเปรีดนี่มันจะอด <Okay. S 1> แต่ว่ า, มาหมาตอนที่มันอดมันก็มีเอามันก็ก็คงจะแย่พอกันในจุดนี้ <Okay. S 1> ะค่เปรตตอนจังหวัดที่อิ่มมีไหมมีตอนที่คนให้บุญมันตอนที่คน <Okay. S 1> ให้บุญเปรตทีนี้ว่าอย่างอย่างผู้เรียนชาเคยบอกกันนะว่า ถ้าเราทําบุญอุทิศให้ญาติของเราที่เขาตายไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเขาเป็นเปรตเขาจะได้รับแต่ถ้าไม่มีญาติของเราที่ตายไปแล้วเขาเป็นเปรตประเภทนี้ใครจะได้รับก็เปรตเหล่าอื่นเปรตที่เป็นญาติเราอื่นจะได้รับแต่ซึ่งมันต้องมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเปรตที่จะต้องได้รับส่วนบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมันก็ก็จะยิ่งดีกว่าตรงนี้อะมามีความเห็นว่างี้น ะ, ะว่ามันน่าจะดีกว่า สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกในแง่มุมนี้แล้วถ้าพูดถึงอายุของเปรตเปรตนี่ก็อาจจะอายุยืนอยู่ข้ามพุทธันดรได้แตนะ่พุทธันดรเนี่ยคือคือมันจะข้ามกลับไม่ได้แล้วเพราะว่ากลับนี่โลกมันจะระเบิดใช่ป่ะมันจะไม่มีที่อยู่ภพนี้ก็จะหายไปแต่ว่าข้ามพุทธันดรได้อย่างเช่นว่าในในกลับนี้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อย่างนี้นะในกลับที่เราอยู่เนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์นะ กว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่จะมาอุบัติขึ้นจนกระทั่งปฏิทินพันคําสอนหาไปเนี่ยโอ้มันนานมากอยู่แล้วนานมากๆนซึ่งบางทีอายุของเประเนี่ยมันมันข้ามตรงนี้มาคือแน่นอนว่าบางทีมันยาวนานกว่าสัตว์เดรัจฉาน่ะอายุพบหนึ่งของมันเนี่ยนะมันข้ามมาได้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่ามันดีกว่าโดยเบ็ดเสร็จร้อมันก็พูดไม่ได้นะเพราะมันก็จะมีส่วนที่แย่กว่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบถึงความเป็นมนุษย์ นะคือเปรตเนี่ยพอรับบุญปุ๊บเขาก็จะได้รับความเป็นมนุษย์ได้ทันทีอันนั้นก็จ ะ, ะจะจ ะ, จะหายไปเลยก็คือเหมือนกับด้วย ค, ความที่เขามีกายละเอียดอนะ ะ, ะก็เวลาที่เป็นพุทธพจน์อันนี้ที่ท่านอธิบายนี่เป็นพบจากในพุทธพจน์อธิบายไว้ใช่ไหมคะว่าเปรตมีการละเอียดเปรตรับบุญได้อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้เวลาที่ ถ, ถ้าถ้าดิฉันจําได้ออื คือในพุทธพจน์ที่พูดถึงผลของการไม่รักษาศีล น, นะคะก็จะบอกว่าถ้าเป็นวิบากอย่างหนักก็คือต้องไปเกิดเป็นนรกนรกําเนิดเดรชานเปรตวิสัยจะเรียงแบบเนี้ยนรกมา ก, ก่อนกําเนิดเดรฉานเปรตวิสัยอ่าอันนี้เราจะสังเกตเห็นบทเป็ญชนะของพระราชาเนี้เหมือนกันน ะ, ะเอาหนักหนักขึ้นมาก่อนใช่ไหมเบากว่า<ช>ลงไปแล้วก็เบากว่าลงไปอค่ะนะคะตอบคําถาม ของคุณจากกรีฑไปแล้วนะคะว่าเปรตวิสัยได้ความเป็นมนุษย์เร็วกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือไม่อันนี้ถือว่าได้เร็วกว่าถูกไหมคะอธิมายคิดว่าอย่างนั้นใช่โดยโดยพิจารณาจากพิจารณาจากการที่เขารับบุญได้เพราะว่าอย่างสัตว์นรกนี่รับบุญไม่ได้เดรัจฉานรับบุญไม่ได้เขาก็ไปเกิดไม่ได้ค่ะอือคือมันมันต้องวิคอย่างนี้ด้วยนะคุณยมติว่าถ้าถ้าสมมติว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเกิดเบื่อหน่ายในความเป็นเป็นภพของเขา เช่นมาไก่เดี๋ยบางทีมันก็เบื่อทำไมฉันจะต้องมาจิกกินตรงนี้แล้วถ้ามีบุญอื่นเขาให้ผลเขาก็จะหลุดออกจากความเป็นไก่นั้นนะเขาจะไม่เกิดมาเป็นหมาเป็นไก่อีกคือที่เรามายกตัวอย่างหมาไก่เนี่ยเพราะมันอยู่ในวัดเนี่ยนะเราจะเห็นมันอยู่เป็นประจํามันก็จะยินดีความที่มันมีอะไรจิกกินยินดีเสตอาหารที่พระโยนให้มันมันก็จะยินดีแค่นี้แต่ถ้าบางทีมันเบื่อมันจะหลุดออกจากภพนี้ได้ถามว่าเบื่อเนี่ยมันจะเบื่อตอนไหนแต่มันจะต้องเห็นโทษของมันก่อน มันบางทีจะต้องแบบผ่านมาหลายร้อยชาติแล้วหรือหลายพันชาติแล้วมันอาจจะเบื่อได้ น, นี้อาจจะเป็นไปได้มันก็อยู่ที่ว่าอายุของมันเนี่ยมันจะดีวเมื่อไหร่กรรมมันจะหมดผลเมื่อไหร่มันก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยว่ากรรมของสัตว์นั้นมันจะหมดผลเมื่อไหร่แต่ถ้าจ ะ, จะดูโดยทั่วๆไปคิดว่าเปรี่พิสัยเนี่ยดีกว่าดีกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วกว่าหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าอายุของเขาด้วย าการหมดเขาด้วยนะค่ะคุณจักรีกราจะเป็นคนที่ศึกษาสนใจศึกษาธรรมะนะคะก็เลยสนใจไปนในเรื่องของภพภูมิแต่ทีนี้ถ้าสมมุติพูดถึงคนทั่วไปนะนะคะผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยท่านคิดว่าถ้าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้อะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดคะ่ะคือรู้ความจริงแล้วมันจะเบื่อหน่าย น, นี่คือสําคัญให้เห็นความจริงของภพภูมิแล้วเราจะหนายคคือถ้าสมมุติว่ามีคนพูดแต่เรื่องสวรรค์สวรรค์สวรรค์โอแล้วไปกําหนัดยินดีในสวรรค์ อ, อันนี้มันมันผิดจุดประสงค์แต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษของนรกนรกกาหนิดจะได้ใช้ปรียบวิสัยเห็นโทษเห็นโทษแล้วคุณออกจากตรงนี้ได้แต่ว่ามันยังไปเกาะที่อื่นอยู่เนี่ยอันนี้มันก็ผิดจุดประสงค์เราจึงจะต้องเห็นโทษของทั้งหมดเลยของสังสารเลยคือแบบเห็นความจริงอะนะเห็นความจริงว่า โอ้นรกมันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้สวรรค์มันเป็นสุขอย่างนี้อย่างนี้แต่มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือเห็นความจริงนรกก็ไม่ใครว่าบอกว่าไม่ดีคือมันส่วนดีมันมีไม่มีตรงนี้ไฟมันเบาวหน่อยตรงนี้เขายกขวานขึ้นแล้วยังไม่เฉาะคุณลงใช่ไ่มยังไม่ได้เฉาะลงเนี่ยคือเฉาะลงมันเจ็บแน่แต่จังหวะที่ยกขึ้นเนี่ยโอ้มันยังแบบไม่เจ็บเท่าไหร่นั่นก็เป็นความสุขของคนสัตว์นรกอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็สุขมันก็มีทุกมันก็มีอันนี้คือให้เห็นความจริง ในการที่เราจะศึกษาเรื่องสังสารวัตรน ะ, ะเพื่อเห็นความจริงแล้วไงจะเกิดความหน่ายหนาแล้วไงหนาแล้วจะคลายกำนัดคลายกำนัดแล้วจะไงก็จะหลุดพ้นได้ค่ะท่านคะงั้นถ้าเท่าที่เวลามีแล้วก็เสพรายการนี้ไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยพอจะเห็นแล้วละ่ะว่าโทษของนรกเนี่ยนะคะไม่เอาไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วมันยังมีภาวะมีจิตที่พอใจใ น, น, นการเกิดนั้น แล้วก็จะต้องเกิดอย่างนั้นเรื่อยไปไม่เอาดีกว่าสัตว์นรกก็น่ากลัวเปรตก็ไม่เอานะคะต้องไปรอขอส่วนบุญเขาถึงแม้จะได้กินบ้างก็ไม่อยากกินอันนี้เห็นโทษละแต่สวรรค์นะคะมันไม่ดียังไงหรอคะมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงอันนี้อาจจะแบบละเอียดหน่อยเอาถ้าเช่นว่าถ้าสวรรค์แบบทั่วไปสวรรค์ทั่วไปนี่คือไล่มาตั้งแต่จตุมาราชกา จนถยามานิมรารดีพอดีไมตัดสวัสดีขึ้นมาเลยหกชั้นแรกเนี่ยมันก็จะยังมีความ เ, เช่นว่าการรบกรันการสู้กันยังมีความแก่อยู่บ้างยังมีความแก่บ้าคล้ยคโลกมนุษย์สิคะใช่ใช่มีรบกันสู้กันแก่บ้าง น, นะคะแต่ะจะน้อยกว่ามนุษย์มากแตแก่นี่ก็จะไม่ได้แบบแก่งอมเหมือนมนุษย์จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>ความตายมันก็จะไม่ได้มีแบบว่าต้องมาเผาร่างอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีก็จะ ก็จะมีอยู่แต่ว่าน้อยกว่ามนุษย์มากอันนี้คือคือโทษมันจะมีอยู่ก็ยังมีอยู่นะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายพวกนี้ <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกเป็นชั้นของเรื่องของพรหมพรหมโลกเนี่ยพรหมโลกพวกนี้จะไม่มีละจะไม่มีความแก่จะมีพรหมโลกชนิดที่เรียกว่าสุภกิณิหาด้วยซ้ําที่ว่ามีความสุขตลอดไม่ได้มีความทุกข์เลยแต่สิ่ง ท, <Okay. S 1> ที่ที่จะเป็นโทษของมั น, นอันนั้นก็คือว่ายังมีความไม่เที่ยงอยู่ ยีงมีความที่มันจะดับไปได้อยู่ซึ่งความนะไม่เที่ยงความดับไปได้ตรงเนี้ยแม้เราจะเห็นโทษของสิ่งนี้ได้อ น, นี้ต้องใช้ความจิตใจที่ละเอียดในการที่จะพิจารณาเห็นค่ะท่านคะความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในสวรรค์เนี่ยคือความไม่เที่ยงแบบไหนคะอ่า อ, อยู่สวรรค์หายไปหรือว่าอ่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจะอยู่เหมือนกับที่ไปเกิดเป็นเดาชะฉานใช่ไหมคะที่ว่าต้องพอใจในภพนั้นเราก็พอใจในภพสวรรค์ได้ไหมค ะ, ะแล้วก็ ขออยู่สวรรค์ตลอดไปจะไม่เป็นอย่างนั้นความไม่เที่ยงนี้คือว่าเราจะจุติจากภพนี้ได้เราจะจุติว่าดับจุติใช่ว่าดับคือตายนั่นเองค่ะคือตายแต่มันจะไม่เหมือนตายมนุษย์ที่จะทอดทิ้งร่างไว้แต่ของเทวดาเนี่ยตั้งแต่ชันขึ้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยก็คือกายก็หายไปเลยไม่ต้องเหลือสร้างให้เผาวับหายไปสัตว์ที่ใช้ก็คือจุติก็คือตายนั่นแหละคือเคลื่อนออกเคลื่อนออกจากภพนั้น อันนี้มันถับไป <Okay. S 1> ได้คือถ้ามันเป็นสุกจริงๆมันน่าจะอยู่ตลอดอ่ะแต่มันไม่เป็ น, แ ล, นแล้ววับไปแล้วเนี่ยอาวาดไปแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมไหมคะอยู่ที่บุญอยู่ที่บุญตกเป็นรกได้ไหมคะได้ได้<ก>ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาอยู่ที่พบแบบนั้นได้มันก็ต้องมีผัสสะหรือว่าจิตที่เป็นแบบนั้นอย่างสวรรค์เนี่ยก็มีความเอือ้อเฟือ้อเกื้อกูลมีการให้การมีการแบ่งปันมีศีลกันแต่ถ้าคุณผิดศีลใช่ป่ะ อันนคุณไปต้องนรกหรือถ้า ค, คุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณก็ไปต้งนรกค่ะดังนั้นพวกเราก็สามารถอย่างน้อย เ, อเฝ้าระวังไม่ให้การเดินทางของเราพลาดพลั้งไปสู่จุดที่เราไม่อยากไปเช่นถ้าเราไม่อยากไปนรกท่านบอกว่าอย่าผิดศีลถูกไหมคะถูกต้องแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่จะพลาดพลั้งไปไปแดนนรกได้นะค ะ, อ, ะ อ, อ่าก็อันนั้นอันตริยกรรมก็จะมีศีลอยู่นนั้นอยู่แล้วนะ หรือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ อ, อันนี้ก็เป็นนรกได้คคอความเห็นผิดเช่นว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีการบุญการบาปไม่มีผลไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพวกนี้เป็นความเห็นผิดแต่ความกตัญญูกตเวทีไม่มีคนที่ทําคนอื่นให้ดีขึ้นมาได้ไม่มีพวกนี้เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้จะต้องไปตกนรกถ้าสมมุติอย่างเรื่องเห็นพ่อแม่ไม่มีที่ท่านว่าเนี่ยนะคะอื เห็นว่ามีอ่ะรู้ว่ามีด้วยแต่ว่าพ่อแม่ไม่เคยมาทําหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เลยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรแบบหน้าที่ของลูกพุณกระทํำอย่างเงี้ยตกนรกไหมคะท่านคะ่ะตกนรกก็มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะคุณหยอ ง, งติ๋วเราเห็นกันเรารู้ว่าพ่อเราชื่อนายสมชายเนี่ยออนะคะแต่เราไม่นับถือเลยอ่ะ เพราะว่าทิ้งแม่เราทิ้งเราสมมตินะคะโอคุณดูแค่นั้นคุณดูสั้นไปเพราะอะไรค่ะเอาแค่ว่าจังหวะที่ว่าเอคุณคุณอยู่ในท้องเนี่ยนะเกาะต้องแม่เนี่ยช่วงเก้าเดือนเนี่ยอันนี้คือแม่มีบุญคุณกับเรามากใช่ไหมแล้วคือตัวตนของเราทั้งหมดที่ก้อนเนื้อที่คุณแบบแขนขาของคุณเนี่ยถ้าไม่มีพ่อมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เอาแค่เนี้ยถ้าเราไม่เห็นบุญคุณตรงนี้คุณมีมิจาติฏฐิอันนี้ถือว่าไปนรกได้ไปนรกได้ถ้าจิตมันไปอยู่ตรงนั้นนะจังหวะที่คุณจะตายอจะไปน ทีนี้จะมีอีกแบบนึงนะคะสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบไม่ใช่ชอบอะค่ะกล่าวหาใส่ความเพราะว่าทะเลาะ ก, กันใช่ไหมคะคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยแล้วมันจะเกิดอารมณ์เอาชนะก็ต้องทําทุกอย่างให้คนที่ทะเลาะ ก, กับเราเนี่ยเสียหายถึงที่สุดบางกรณีนี่ก็เป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายทําให้เขาทุกข์ทรมานอย่างนี้ไปนรกไหมคะคนที่ทําแบบเนี้ย อ๋อก็ผิดศีล น, นะใช่ไหมผิดศีล น, นี่ก็ไปนรกแน่ปั่นน้ําเป็นตัวอ่าแล้วเวลาที่แบบว่ามีความพยายามายกันเนี่ยมันก็จะงัดกลยุทธ์ทุกอย่างโกหก บ, บ้างอันนี้มีแน่นอนใช่ป่ะอ่าบางทีจ้างฆ่าบ้างหรืออาจจะไม่จ้างฆ่าแค่จ้างทําร้ายอันนี้ก็มีความพยายามบาลแล้วมันก็พวกนี้มันก็จะทําให้จิตใจมีความคล่องแวะในเรื่องของ ค, ความไม่ดีมันก็จะไปอยู่พบภูมิที่ไม่ดี อ๋อเดี๋ยวฉันลืมไปท่านคาริจะมีคำถามคำถามนึงซึ่งใเวลาน้อยซะแล้วแต่ถ้าท่านตอบสั้นได้ก็เมตตาตอบหน่อยนะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังนะคะอือ่าที่เป็นนักเลงเขาเรียกว่าคะคนที่ทำพระค่ะ <Okay. S 2> เสียคนหนึ่งเขาฆ่าตัวตายใช่ไหมคะ yeah, <fine. S 2> แล้วเขาก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้อ่าเหมือนกับทอดแท้อ่าบอกสังคมบอกให้โลกรู้ว่าเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่คนว่าเป็นมาตรฐานของการทำดีเป็นผู้ให้มากมเนี่ยมันกลับมาทำร้ายเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ไปเนี่ยตอนแรกก็ได้รับความพึงพอใจแต่เขาพูดว่าเมื่อทำให้คนที่เคยพึงพอใจเนี่ยขัดใจแค่เรื่องเดียวก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีซ<ม>ะแล้ว<ม>ในตัวอย่างทุกๆ ก, กรณีที่เขายกมาเนี่นะคะ่ะดิฉันอยกจะให้ท่านได้ให้ อธิบายด้วยธรรมะค่ะว่าคนแบบนี้คิดแบบนี้มีเยอะดิฉันเชื่อโอเคพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไวอยู่สี่แบบคุณยมติวเปรียบเหมือนกับเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเปรียบเหมือนกับน้ำเต้าขมหรือบวบขมที่ว่าเจือด้วยยาพิษอันที่สามเปรียบเหมือนกับยาดองน้ํามูดเน่ายาดองน้ำมูดเ น, น, น่านี่คือเป็นยาของพระ ในที่ว่ามีคุณสมบัติปัญญาแต่ว่ารสชาติมันโหเน่ามากเหม็นมากอันนี้เป็น อ, อันที่3ามแล้อันที่4นั้นปเปรียบเหมือนกับน้ำพึ่งหรือว่าเนยใสที่มีคุณสมบัติปัญญาแล้วก็รสชาติหอมหวานแนส่สีอุปมาปรมายนี้ปเปรียบเทียบกับคนที่ทําความดีหรือคนที่ทําความชั่ว2อย่างแรกเปรียบเทียบกับคนที่ทําความชั่วแต่ว่าได้ผลเป็นความดีคือคนทําความชั่วแต่คหนหนึ่งเขายกย่องแม้เอาเงินมาให้ประสบสอพยกย่องต่างๆ เอ๊ะทำไมฉันทำชั่วแล้วคุณมายกย่องแฮะมันก็เหมือนกับว่าคุณดืม่มเครื่องดื่มที่มันโหรสชาติดีสีสันดีมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษคุณตายแน่นะะแต่ว่ารสชาติมันดีะนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเปรียบเหมือนกับคนที่ทำความชั่วนั่นแหละส อ, อย่างได้นี้คือคนทําความชั่วนะแล้วปรากฏว่ามีคนด่าคนว่าคนอะไรต่างๆอันนี้คือบวบขมที่เจือด้วยยาพิษรสก็ขมด้วยแล้วก็ไปตายแน่นอนนี่คือ2ออย่างแรก สองอย่างหลังที่บุญมาสักครุลคือเปรียบเหมือนกับคนที่ทําความดีแต่คนที่ทําความดีคนแรกทําความดีแต่คนอื่นเขาไม่เห็ น, นผลดีของผมเลยคนอื่นเขาก็ด่าก็ว่านะทั้งความความดีด้วยการให้ทานรักษาสีอะไรก็แล้วแต่คนก็ยังด่ายังว่าอันนี้คือเปรียบเหมือนกับยาดองน้ํามูดเน่าที่ตอนกินเนี่ยโอ้โหทั้งขมทั้งเหม็นทั้งรสฝาดทั้งสีก็ไม่ได้สวยงามแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติเป็นยานะ มันจะทําให้โรคเหลืองโรคโรหิตอะไรต่างๆมันหายไปได้อันนี้คือข้อที่3ส่วนข้อที่4นี้เปรียบเหมือนกับคนที่ทําความดีแล้วก็มีคนยกย่องนับหน้าถือตาร่ํารวยขึ้นมาอันนี้ก็คือเนยใสหรือว่าน้ำพึ่งที่มันมีรสชาติหอมหวานแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถฟันธงได้คุณโยมติวว่าการที่คนมายกย่องมันจะดีหรือไม่ดีแต่ ค, ความดีถ้าทํามันคือดี ต่อให้คนทั้งโลกะนะมาบอกว่าโอ้คุณดีจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้รักษาศีลนะ่ะมันก็จะดีขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าในทางตรงข้าม น, นะต่อให้คนทั้งโลกเขาดา่าแบบคุณไม่ดีคนแย่แต่ถ้าสิ่งที่เราทำดีเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมเป็นศีลสมาธิปัญญายังไงมันก็ยังดีค่ ะ, ะนะคะก็คงจะหมดเวลาพอดีค่ะทั้งค่ะ ท่านฟังได้ประโยชน์จากธรรมะเนี่ยดิฉันคิดว่ า, าไปใไข้ครัวนะคะจะตอบอะไรเราได้หลายๆอย่างทีเดียวกล่าวใส ก, การขอบพระคุณท่านเปรื่บุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียนบาย้าท่านฟังที่ครบคะ่ะพระมหาเพบูลบุอภิปุโนนะคะพ่วงนวยการหลักสูตรหลีกเร้นวัดป่าดอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบ ก, กันในรายการสันนิยมสนสมทนานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านจะ อยู่ยาวตลอดดิฉันเนี่ยจะมาเฉพาะวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ดิฉันสันสี น, นาพงค่ะวันนี้เราลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้นำอธรรมะไปใช้แล้วท่านจะพบกับความทุกข์ที่น้อยลงค่ะพุทั่วสวัสดีค่ะ